ที่จะปร่งใจเช่นนั้นได้จึงอยู่ในภาวะระสัมระสายกระวนกระวายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างก็สมสารแต่เจือตะกายระหโกระเหินระเหะเร่ร่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นและจบลงในทิศ ท, ทางใดเหมือนปุยนุ่นอยู่บนอากาศไม่ทราบว่าจะปลีววนไปตามแรงลมในทิศ ท, ทางใดเหมือนเด็กน้อยไร้ญาติที่พ่อแม่เพิ่งตายจากไปได้ไม่นานนัก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 ส่วนคืนที่สองและคืนที่สมไม่ได้ย้าขานั่งทีเดียวตลอดเลยการตั้งสัจจะของเราไม่ได้ตั้งเพียงสามคืนแต่ตั้งไว้ว่าถ้าไม่หายจะไม่ยอมลุกจากที่แต่พอถึงวันที่สของการปฏิบัติโรคร้ายได้หายขาดจึงออกจากสมาธิโรคเหน็บชาที่ว่าร้ายๆก็หายเป็นปลิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้เราปฏิบัติแบบสละตายไม่อะไรในชีวิตนั่นละมันถึงได้ของเหล่านี้